<c oughs> มดแดงทำรังมันเป็นซ้ายไปหลวงตาได้ไก่ย่างมาเอามาดูเจมาท่านก็มาขยี้ให้มันเล็กๆเกนะ่ยแบ่งให้มันพอมดแดงได้คาบเสนึท่านนะโอ้ลุมกันมาทีนี่ดีอกดีใจหลวงตาท่านก็ว้าเหรอเห็นไหมนะมันได้อาหารนะมันก็ดีใจของมันเห็นไหม นี่แหละสรุปแล้วทื่อท่ท่านเห็นหมดกันยังนก็นยังสงสารในมดในการทำทานให้อาหารมันส ง, สงเคราะห์มันสงเคราะห์กับท้งมดเน่ท่านไม่ใช่ให้ครั้งเดียวนะท่านมาทีใรท่านก็ให้มันนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเป็นการวางอุปนิสัยผู้ที่จะทำบุญใหญ่เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานซะก่อนแต่บาคนขี้ตนีนทีเหนียวเห็นใครเลย เนีทำไมมันเกิดมาทาไมมันเกิดมาเป็นสัตว์มันกระจนเลยสิก็ทุกแลวสิ เ, เกิดมาเป็นคนทาไมขี้เกียจทำไมไม่ทำงานกะจนแลวสิที่จะคิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เขานะ่ะเออเขาทุกจนเนะเกิดมาชาตินี้เขาก็ไม่พึงเขาก็ไม่ปรารถนา อ, าอยากจะเกิดมาแต่ถึงยังไงเขาเกิดมาแล้วมันทุกคงจะเป็นบาปกรรมเขาในอดีต น, นะ